พุทธชาวิปัตชนาธรรมกับท่านหลวงตาพระองค์สักขีนานาอยู่ต่อไม่เย็ดมั่นต่อสุดใจอยู่ด้วยใจที่เที่ยงธรรม อดีตมันเหมือนของฝันความจริงคือปัจจุบันเนี่ยต้องใจมันอยู่กับตัวมันเศ้าอะอดีตอยู่เลยมั้จะไปอยู่กับปัจจุบันได้ไงมันไม่ละเนย่ะ มันเหนือเราขึ้นไปมันยังมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้ต้องความสมหวังผิดหวงังได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจมันยังมีอะไรมากมายไม่ใช่เป็นไ ป, นปนตามความคิดเราได้มันยังมีเหลือความรับดปวยไมากๆอันนึงคือบุญบา ร, รมีคุณงามความดีบุญระบาบที่เราทําไว้แล้วไม่ใช่เราทํำคนเดียวมันทําร่วมของคนอื่นมามากมายทำบุญระบากรรมดีและกรรมชั่ว หลายอย่างที่มันส่งผลมามีที่ฝนต่อเราเราไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายจะไปติดอยู่ในแค่แล้วความคิดเราในแค่าตาเห็นหูได้ยินใจคิดไปมันจะมีสิ่งที่เหนือกว่ า, วาเราอีกมากมายที่มันเราจะต้องดําเนินชีิตผ่านไปนี้มันมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิดหรอกเป็นทางที่เราเดินมานี่เราทำทั้งบุญและบาปมาอีกมากมายแล้วเราทํำร่วมทําบุญและบาปร่วมกับคนอื่นมามากมาย ชีวิตมันจะหักเหไปหมันเลยเนะี่ยทั้งในอดีต ป, ดปัจจุบันและอนาคตตั้งในปัจจุบนะันน่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราทําบุญไม่หยุดทําคุณงามความดีคิดดีพูดดีทําดีทดําประโยชน์ตนประโยชน์ ท, ชนท่านตามที่อธิษฐานไว้ไม่หยุดหรือว่าเราทํำบาปกรรมไม่หยุดไอ้นี่มันไปไป ก, ก็ยังเปลี่ยนไปอีกวิถีชีวิตก็ยังเปลี่ยนไปอีกมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเราเห็นหูได้ยินเราคิดเองเกาได้เราสิ่งเหล่าเนี้ยเรา เ, เหลือแต่เชื่อพระพุทธเจ้าเราทําคุณงามความดีในปัจจุบันนี่แน่ พวกหมอดูทํานายใจทักดูลายมือลายเท้าดูวันเดือนปีเกิดดูเลิกฝานาที่อะไรก็ตามมันดูพวกที่ทําบาปกรรมไม่หยุดดูพวกที่ปฏิบัติธรรมคุณงามความดีละบาปมัาเป็นบุญฝึกฝจิตใจมันดูไม่ได้หลายคนนี้ชีวิตชีวิตเปลีป่ยนไปนหมดเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลามันจะดูได้เฉพาะคนปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมคนที่ทำบาปไม่หยุดก็ดูไม่ได้บาปกรรมก็ส่งผลไม่หยุด เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคนที่สร้างคุณงามความดีไม่หยุดมันก็ดูไม่ได้เพราะวิถีชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาไปตามบุญระบาดไม่มีอะไรเหนือกว่าบุญระบาดได้อะไรที่มันผ่านมาเนี่ยมันก็แล้วก็ผ่านไปได้สมหวังมันไม่สมหวังมันก็แล้วแต่บุญวาสนาบา ร, รมีของแต่ละคนเราทํามันด้วยทํารื่องกุคคลอื่นด้วยมันจึงแตกต่างกันไปไม่มีใครหล่อได้อย่างใจ นี่นแนคือความทุกข์ของสัตว์โลกจ่อประสบกับสิ่งที่ไม่ไม่สมหวังไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์พัดผ่าจากสิ่งที่รักคนที่รักเป็นทุกข์ความเหงื่อแองใจท้อแท้ใจเบื่อเจงกุ้มเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าเป็นทุกข์เออชีวิตเกิดม า, า ม, มันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์นี่แน่ เพราะฉะนั้นทุกคนก็สมหวังหมดทุกอย่างทุกคนไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพากมันเป็นประจำตนอยู่แล้วทุกคนต้องโดนหมดแหละเกิดมาแล้วต้องโดนอย่างนี้ทุกคนหนีไม่พ้นจะหนีพน้นดรวอควรปฏิบัติเั็นบัตพ้นไปนั่นแหละที่จะหนีพ้นจะถามอะไรไมอมมันเป็นบัตรพันเนาะ เออได้ได้ได้ครับกูพักกูพอเดียวพาไปปลอดภยนะอ่ะแล้วเราเป็ไงมั้อ่ะเออแต่ละคนเข้ามาไปไงเป็นไงอ่ะสอนเมื่อก่อนมาเข้าใจแม่นั้นมันก็ยังอยู่ก็รู้ไม่ได้มันก็ไหลไปรวมกับสิ่งที่ ไหลไปรวมกับรูปรถกิ่นเสียงในสิ่งที่ทำคือทำงานก็ไหลลงมาอยู่กับงานคุยกับใครก็ไหลไปอยู่กับการคุยหมดเคะ่ะมันไม่ไม่ทราบจะตั้งรู้ยางไงคือหมายถึงว่าจะจะอยู่กับรู้ยังไงแล้วก็มันจำได้เมื่อก่อนหลวงตาให้ทำเอาซีดีใส่ใส่ซองแล้วหลวงตาก็บอกว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วฉันบอกให้เธอเอาซีดีใส่ซองเพื่อมีสติรู้อยู่กับ ตัวนี้เธอไปอยู่กับการใส่ซีดีมันก็ตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นยังไม่รู้จะทํายังไงค่ะทําอะไรมันก็ทุ่มลงไปในนั้นหมดฉันเห็นในมาเป็นเช้าที่ที่เข้ามาเจอเข้ามาฟังแล้วฝันว่าที่ว่แยกายแย ก, แยกายแยกจิตแยกกายแยกจิตแยกจิตกับผู้รู้จริงแยกจิตกับใจแยกจิตกับผู้รู้ คือก็เ <mister> ห <tumors> ็นว่าร wow. <tit WA> ah ่างกายกับจิตกันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวกันคนละตัวกันไอ้ร่างกายทําอะไรใจมันจะคิดอะไรไม่ได้ว่านั่นแหละร่างกายทําอะไรใจคิดไปได้เอ้ใจก็คือจิตที่คิดปรุงแต่งอ่ะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันร่างกายกับจิตที่คิดปรุงแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเป็นคนละตัวกายจะทําอะไรอใจจะจิตก็คิดอะไรไม่ได้ทพรามันเวลาร่างกายจะแบ่งกับจิตก็คิดอื่นไม่ได้เหมือนกันเออมันกายกับจิตมันไม่ใช่ตัวเดียวกัน แยกกายแยกจิตเห็นว่ากายกับจิตไม่ใช่ตัวเดียวกันเลยก็สอ น, <S <S 1> <S 1> สอนให้เขาว่าไอ้จิตกับผู้รู้หรือจิตกับใจก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันมันไม่ใช่ว่ามีแต่จิตแต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีใจแยกกันมนปมนมถึงว่าไม่ใช่ว่าเป็นดึงสองอันออกมาจากกัน่ะก็เห็นว่าเออจิตกับผู้รู้หรือจิตกับใจมันไม่ใช่อันเดียวกันจิตก็คิดไปผู้รู้มมีหน้าที่รู้ไป เออมันคนละตัวกันแล้วก็อยู่กับผู้รู้ไปไปอยู่กับจิตที่คิดมันก็เลยเออแยกแยกผู้รู้ออกมาจากจิตแยกไม่ใช่ไปดึงแยกออกจากมานะนั่นก็คือว่าเออมันก็ได้รู้สัมปวารู้ทัไม่เห็นว่าจิตที่คิดกับไอ้ผู้รู้คนลานกันเวลาเราจะตายเนี่ยไอ้จิตที่คิดจิตที่มีความรู้สึกม่คิดอารมณ์มันดับก่อน ไอจิตที่คิดที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ค่ยอยๆห่างเราออกไปห่างเราไปเหมือนกับเอเอเครื่องบินที่ที่แรกมัก็มีความคิดมีความรู้สึกตัวอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละแล้วพอเราใกล้จะตายจริงมันจะห่างตัวเราเรออกออไปเรื่อยๆไอเหมือนก็บินลําที่สองบินมาก็บินห่างออกไปเรื่อยๆพอมีความคิดความรู้สึกตัวอันที่สา<ๆ>มก็ห่างออกไปเรื่อยความคิดกวารู้สึกตัวอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หกอัที่มันนับถอยหลังอ่ะเก้าแล้วก็เก้า แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไอ้ความคลิกความรู้สึกตัวเหมือนไอ้อันสุดท้ายเยนะี่ยมันเหมือนกับว่ามันไกลสุดเอื่อมเลยมันไอ้เครื่องบินที่บินสุดขอบฟ้าหรือจะเราถามบางคนที่ใกล้ตายไปแล้วพื้นมามันเหมือนกับแสงสว่างลิบหลี่ที่ไปอุโมงค์ไปอุโมงค์ที่ไกลแสนไกลามากเลยไอ้แสงสว่าง อารสุดท้ายลิฟต์หนีเนี่ยหรือว่าเครื่องบินรมบสุดท้ายที่เป็นความรู้สึกความรู้สึกความคิดเนี่ยอารสุดท้ายเนี่ยที่เป็นความรู้สึกตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะดับแล้วเพราะมันดับก็ตายเลยก็ตายแล้วไอ้ไอ้ลมหายใจมันก็หายใจยาวเพือกเพือกแบบเหมือนเหมือนคนถอนหายใจยาวเพือกไม่ไม่มันหายใจไม่พอก็เพือกเพื่อสองเรื่อสามเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็นิ่งไอ ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันรู้ตัวมันรู้ตลอดแล้ถ้าเราไม่ผูกสั้นไม่ไม่กลัวตายไม่ไม่เพ้อไม่อะไรเนี่ยไอ้ผู้รู้มันจะรู้ตลอดเลยว่าไอ้ไอ้ความรู้สึกตัวกับผู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันไอ้ความรู้สึกตัวและผู้คิดเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะว่าไอ้ความรู้สึกตัวกับผู้คิดเนี่ยมันห่างออกไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวเนี่ยเดิมก็รู้สึกอยู่ในตัวเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่ในตัวมันเลยมันเลยยังเหมือนกับเนี่ยมันมีเลยมีการแอคทีฟมีชีวิตจิตใจร้อยเเซน แต่พอมันจบสภาพแล้วไปความรู้สึกตัวมันห่างออกไปแล้วมันห่างออกไปห่างออกไปเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเพรเจ้าศูนย์ก็ตายเลยตายแล้วลมหาจใจก็เกือบสุดท้ายเกือบเกือบเกือบยาวแม้แต่สัตว์เลีเ้ยงชานเรานั่งเฝ้าดูมันก็เป็นแบบเดียวกันตัวเราก็เคยเกิดเป็นอย่างนั้ น, น, นเอออยกเอผู้รู้ไอผู้รู้มันรู้ตลอด น, นะ มันรู้ตลอดว่าไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันไกลไปมากเลยไกลออกไปไกลออกไปไกออกไปและไอความรู้สึกตัวเนี่ยไอความคิดความรู้สึกตัวเนี่ยมันไปด้วยกันเนี่ยมันห่างออกไปด้วยกันห่างออกไปห่างออกไปไปไอเนี่ยมันจะดับแล้วก็รู้อยู่ตลอดมันจะดับแล้วถ้ามันอันสุดท้ายเนี่ยดับก็ตายมันก็รู้ตลอดมันรู้ตัวตลอดรู้จะตายแล้วพอดับไปมันก็ดับไปในความรู้ตัวแต่ความรู้สึกตัวมันไปแล้วแต่มันดับในความรู้ต่อหน้าต่อตามันดับไปต่อหน้าต่อตา มันดับไปมันเหมือนกันอย่างงี้ไอ้ตะเกียงที่ใกล้จะหมดน้ำมันเนี่ยมันก็ปุ๊บปุ๊บนกับปุ๊บล่๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ทปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุับปุกบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อปุอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุี่ย ซึ่งเป็นนามประขันเนี่ยมันค่อยๆเป็ น, นแบดจะหมดแหละมันค่อยๆปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปล๊ก <|no|> no พ said, dinero. ิ๊กปิ๊กปห๊กปิ๊กปิ๊ก้ิ๊กปอ๊กปออกปิ๊้ปิ๊กปิู๊ปิ๊กปิ๊กปิ่กปี่กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปผู้รู้กปิ่กีิี่มีความรู้สึก่ย มีความรู้สึกตัวมีความนึกคิดเนี่ยมันไม่ใช่ผู้รู้ไอ้ผู้รู้มันรู้ตลอดว่าไอ้ไอ้ความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยมันจะหมดมันจะหมดแล้วหมดแบตเตอรี่แล้วมันจะดับไปพ้าในขณะนั้นเนี่ยมันไม่ไปก่อยกว่าอะไรไม่เพอไม่เพอไม่ขัดสติหลงไปกับอะไรมันจะรู้ตลอดเลยว่าแบตจะหมดนะแบตจะหมดนะแล้วแบตมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตารเราชีวิตเราก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยมันรู้ตลอดแล้วก็ดับไปแต่ผู้รู้เนี่ยมันไม่ตายมันเป็นอมตะ แล้วหลวง่อแจ้งเพื่อเรื่องยาวไอ้ผู้รู้มันก็หมดที่อาศัยนั้นไอ้ผู้รู้กับร่างเราก็ไม่ใช่อันเดียวกันเพือกมันก็ดับไปไอ้ร่างเราก็ดับไปไอ้ไอ้ยิวความรู้สึกเมื่อคิดติกต้องหรือความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ต่างๆมันก็ดับไปแล้วไอ้ร่างกายก็หายใจเพื่อเพื่อเรื่ยาวแล้วก็ดับไปแต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันรู้ตลอดเลยแต่มันไม่ดับตัวมันเองไม่ดับ ตัวไม่ดับแบบนี้แต่ถ้ามันมีความหลงอยู่อ่ะมันหลงเอามันยึดว่าเราเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนของเราเราเป็นตัวเป็นตนเรามีตัวเป็นตนมันก็จะเอาความหลงที่เป็นตัวเป็นตนเอาวิชาเนี่ยส่งผลให้ต้องไปรับบาปพอกกรรมคือตัดไปตามบุญหรือบาปเขาก็มาพาไปได้อีกเพราะว่าไอ้ตัวยึดเนี่ยมันยังไม่หมด ยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นต like, ัวตนของเราแม้แต่ยึดผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยไอ้ความหลงเราไม่ไม่ดับไม่ดับปุ๊บมันก็เลยเข้าก็มาหาเอาไปได้ตอนนี้อย่างเวลาเรายึดยึดที่เป็นศาสตา์ยึดที่เป็นตัวคนยึดพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสมบัติพัฒน์ยึดตําแหน่งลาภยศเรายึดอะไรก็ตามที่มันเป็นภายนอกตัวเรายึดลูกลดกินเสียมสัมผัส ยึดอะไรก็ตามรูปที่เราเห็นได้ตาเสียงที่เราได้ยินทั้งหูกลิ่นที่รับจากมูกรสชาติที่มันกระทบทางลิ้นสิ่งที่มาสัมผัสทางกายทั้งรู้จิตใจในภายนอกทั้งหมดเนี่ยและใกล้กัไมาสุดคือมายึดตัวเราเราปวตายยึดร่างกายแล้วก็ใกล้เข้ามาอีกมายึดไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอาการที่ถูกใจเราชอบอาการไม่ถูกใจเราด้นหล่นผับใจใจเราโปรงโล่งเบาสบายว่างๆเราชอบใจมัน ไม่โปรง่งไม่ล่งไม่เบาไม่สบายเราที่เราผักไก่ไอ้นี่ยมันจะดําปีเลยจิตมันจะดําปีเลยมันมันถูกพุ้มจะเป็นก้อนเลยอ่ะแล้วก็จิตสุดนในตัวตนมันก็พุ้มความเป็นตัวตนที่เรารู้สึกว่ามีตัวตนรูปร่างเราเป็นยังไงเนะี่ยมันอยู่ในนั้นแน่มันอยู่ในไอ้ตัวที่เป็นความทุกข์มันปนอยู่ในในใจเราในใจผมตัวตนไม่ดับไปมันดับแต่ร่างกายหยาบแล้วก็ดับแต่ความรู้สึกคิดอารมณ์ที่เป็นขันห้า พอมันดับปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นไอ้ตัวตัวหนึ่งที่ไม่ดับคือตัวโปรงแสงเนี่ยไอ้ตัวยึดไว้เนี่ยมันก็เดนออกไปแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ได้เลยมันทุกข์มันทุกข์มันทุกข์มากเลยเพราะมันไม่ดับไป็ตัวเนี้ยมันก็ไปทุกข์ทุกขทุกตอนนี้มันไอ้นี่มันคือคือพวกที่ยึดของหยาบแต่ถ้ายึดอารมณ์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งยึด ใจที่สบายว่างๆยึดอาการของใจคืออย่างอื่นไม่ยึดแล้มก็เริ่มมันก็เริ่มใสขึ้นเริ่มสว่างขึ้นแต่ไปยึดอาการของใจมันก็แล้วแต่ว่ามันยึดอาการของใจว่างขนาดไหนนะถ้ามันยึดแก้ป่งโรคบาสบานมันก็เป็นแค่อะไรล่ะมันเหมือนกับไอไอกระจกฟ้าเนี่ยไอไอลูกโปง่งก็ เอออลูโป่งกระจกฟ้าเนี่ยมาพุ้มตัวเราไปพุ่มจิตวิญญาณที่เป็นเหมือนกายโปรงแสงเนี่ยต่อไปพุ่มจิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณยังไม่มีตัวตนนะอย่าลืมนะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยสักอางเดียวแต่มันกลายเป็นว่ามันถูกพุ่มด้วยเออไอกระจกฟ้าเนี่ยกระจกฟ้าลูโป่กระจกฟ้าเนี่ยหุ้มไปมันทําให้ไอ้ไอ้ความว่างกับความว่างข้างนอกเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มันไอ้ความว่างเนี่ยมันก็ถูกเออ มันจะเป็นความว่างของจิตเดิมแท้เลยมันการเป็นความว่างอยู่ในไอ้ hey. Hey. ลูกกลมๆของกระจกฟ้าเนี่ยขอบแก้วเนี่ยแต่เป็นขอบแก้วฟ้าเพราะมันยึดมันยึดอาการที่มันห ย, ยาบๆล้วโปรงโล่งเบาสบายเวลาพอตายแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ลูกโป่ง hey. ไอ้กระจกแก้วที่เป็นกลมๆที่มันมาครอบไปเนี่ย มันแล้ข้อไปจิต ด, ดําเดิมแท้จรงเป็นของบ้านชิินเดียวกับจักรวาลมันไม่แตกไม่แตกปุ๊บก็ไอพวกโยมาทูดหรือโยมหวานมันก็มายกเอาตัวนี้ไปเลยยกเอาไว้ให้ลูกโป่งแก้วเนี่ยมันยกเอาไปเลยแต่นี้มันมันยึดหยาบมันก็ไปหยาบเนี่ยก็ไปอย่างหยับหยับมันก็ไม่เกิดในพวกภูมิที่หยาบแต่นี้ไอพวกที่ยึดว่า ง, า ง, างเลยว่างมากเลยว่างแบบว่างจนถึเป็ น, นอาลุประจันเลย ยึดแตว่ว่างว่างแต่มันยึใได้จริงๆงั้นยึดไว้ว่างมันนรูปฌานมันไม่ใช่ว่าคนหลงไปจับอารมณ์ว่างแต่ไปไปไ ป, ไปยึดกับสิ่อื่นๆให้เป็นทุกข์นั่นเอ ง, งดําปีเลยแต่คนที่ยึดอารมณ์ว่างจริงๆอ่ะคิดมันไม่ไปจับจากอื่นแต่มันเข้าฌานได้เข้าคือมันจับอยู่ในฌานรูปฌานอะรูปฌานจนเลื่อนขึ้นไปจนเป็ น, น, เ, ปนเป็นความว่างไปหมดเลยจิตทุกนคนมันเดินทางในองฌานอันนี้ก็เป็นในเป็นอยู่ในไอ้ลูกแก้ว่ะ ลูกปง่งลูกโป่งแก้วใสเนี่ยเป็นสแก้วใสไม่ใช่แก้วฝ้าแก้วใสมองถ้ามองไม่เห็นเลยแ ต, แต่พวกพวก่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตาคุม้มขมก็จะมองทะลุเห็นว่าอันนี้มันตกขังอยู่ในครอบแก้วใสนี่หว่าเนี่ยไอผู้โยมมาโทวโยมาบาลก็หรือผู้ที่มาเชิญปัญญาเนี่ยก็มองเห็นว่าไอเนี่ยมันจะมีตัวตนอยู่มันหาเจอมันก็มาหาตรงไอครอบแก้วใสนี่เนี่แล้วก็ยกออกไปลงโทษไอภากษาแล้วแต่ว่าทําบุญทําบาปอะไรมาก็ไปฟีฝากษาในนั้น จักเปนพิาษาในนั้นได้แต่คนที่อยู่กับรู้ที่มันไม่ยึดว่าไปรู้อะไรทําใจว่างๆไว้ไปรู้อะไรทำใจว่างๆไว้คือมันได้แต่ศักแต่วรู้ตามความจริงไม่ใช่ว่าไปรู้อะไรแล้วทําใจว่างๆไว้มันรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทัางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจรู้อาการทางใจทุกอาการรู้ความคิดทุกความคิดในปัจจุบันทุกปัจจุบันมัน ไม่มีตัวตนของผู้รู้แล้วไม่จาว่าให้รู้เนี่ยไปรู้อะไรแล้วทํำใจว่างๆไว้ทำใจนิ่งๆไว้ไอ้คนนี้มันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ารู้เนี่ยมันเป็นเป็นความว่างมันเป็นความว่างของอากาศเนี่ยเช่นเดียวกับอากาศภายนอกไอ้รู้เนี่ยมันมีคุศลบัตคล้ายๆมันเป็นลักษณะที่เดียวกับความว่างของจักรวาลเนี่ยเวลามันดับแล้วมันดับหายไปเลยหายตัวไปในในความว่างเลยของจักรวาลหาตัวไม่เจอพุดธที่เขาถามพระโต้งว่า จิตวิญญาณเนี่ยจิตหรือวิญญาณของพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยที่สิ้นความยึดแล้วเนี่ยเป็นยังไงเวลาตายเวลาดับกรรมนิรันด่์ก็หายไปเลยหายไปพุทธเจ้าหายไปเพราะว่ามันสิน้นสิ้นเชื้อเหมือนเปลวไฟที่สิ้นเชื้อหรือเปลวไฟเตียนต่อหน้าพุทองค์เนี่ยแล้วก็ถูกเป่าดับพึ่งหายไปอย่าเงี้ยมันก็หายหรือแว บ, บไปเลยพอหายแล้วมันไม่มีคอบแก้วว่ามายึดอะไรมันมีครอบแก้วสายไม่มีครอบแก้วฟ้า ถ้าเรยึดจากอื่นให้เป็นทุกข์มันก็ดับไปเลยตอนนี้แล้วก็ไปทุกข์ไปนั่งร้องไห้เป็นเป็นไออเป็นตัวเป็นตนเป็นการโปร่งแสงไปนั่งร้องไห้เป็นทุกข์ก็ไปรอให้พวกเจ้าหาทูตเจ้มมาอาวาสเข้ามาลากเขาไปเอาสามง่ามมาเอาสามง่ามมามาสองตนไอ้ตนนึงก็จุกกระชากลากไปอีกตนนึงก็แทงไปเพราะว่ามันจะไม่มีใครยอมไปครับบอกก็จะต้องล้างล้างล้างอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้นนก็ต้องแทงมาอยู่สองตนตนหนึ่งก็เอาสามง่ามแทงไปอีกตนนึงก็ลากไปมันเจ็บนะถูกก็แทงเ่ยเอาหอกแทงเอาสามง่า มันก็ต้องยอมเดินตามเข้าไปเป็นโดนลงโทษตีที่ตัางสามสิ่งเหล่านี้ยมันก็มาจากในจิตเราด้วยเนี่ยที่เราพยายามสอนเนี่ยคือถ้าจิตเราจิดอย่างนี้เราก็ต้องไปอย่างนี้จิตเราจิตอย่างนี้เราก็ต้องไปอย่างนี้จิตเราจิดอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆ ไม่ใช่วาดจามาจากตํารานะไม่ใช่จํามาจากสําราแม้แต่คนศาสนาอื่นเนี่ยศาสนาอื่นที่มันเคยมาฝึกปฏิบัติอเวลาไปงานศพเขาตายมันก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าในจิตเขาเป็นยังไงสภาวะในจิตเขาเป็นยังไงตายแล้วก็ต้องไปตามสภาวะที่อยู่ในจิตของแต่ละคนเนะ่ยมันต้อต้องแยกไงแยกให้ออกก่อนตาย แยกให้ออกว่าอยู่กับผู้รู้ผู้รู้นั่นมันเป็นธาตุอมตะเป็นนิพพานธาตุเป็นสุญญาตาธาตุมันเป็นสุญญตาธาตุคือมันเป็นสุญญตาธาตุไปเลยเหมือนกับพระโคติกะเชื่อกคอตายพระโคติกะท่านป่วยป่วยหนะักเจ็บปวดทุกทรมานมากยกทั้งท่านท่นทนไม่ไหวท่านเชียดคอตายท่านเชียดคอตายแต่ก่อนที่เชื่อกคอตายเนะี่ยพุทธเจ้ามาเทศสอนก่อนแนละ้ว จนท่านเข้าใจถึงธรรมรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วแต่ร่างกายท่านเจ็บปวดเจ็บปวดทุกปรมานจนทนไม่ไหวท่านเลยเชื่อดคอนตายแต่ถ้านบรรลุอรหันต์แล้วไม่รู้วาบรรลุอรหันต์ในตอนไหนแต่น่าจะบรรลุใตอนที่ในตราเก็ว่าบรรลุีกตอนที่เชื่อดคอแล้วกบท่านโปงสลดสองเวทเห็นเลือดมนไหลเต็มไปหมดแล้วก็จะงแก่ความตายพอถึงแก่ความตายแล้วพวกจอมาทูตเนี่ยก็มาตามหา จิตวิญญาณของพ่อโคติกะจะไปลงโทษเพราะว่าโทษโทษบาปกรรมเก่าก็ยังไม่ได้ใช้หนี้จะต้องไปรับใช้บาปกรรมเก่าและโทษบาปกรรมใหมา่จะต้องไปเกิดมาเป็นมนุษย์เชงนไรต้องฆ่งต า, าตัวตายฆ่ารอยชาติจะต้องเอาไปลงโทษแต่หาจิตวิญญาณของพระโคติกะไม่เจออ้าวไม่ทําไมหายไปนะเพราะจิตวิญญาณของคนเราเนี่ยถ้าไปยึดหยาบเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างถ้ายึดอะไรพวกมันก็ไปเกิดเป็นรูปร่างกายโปรแสงอยู่ให้ก็พาไปได้ ใอ้เขาพาไปลงโทษได้เพราะว่ามันจําไว้ยึดว่ารูปร่างเรามีตัวตนอย่างนี้รูปร่างเรามีตัวตนัวนี้คือเนี่ยตัวตนของเรานี่คือตัวตนของเรามันยึดเอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนของเรานี่ตัวเราตัวตนของเรามันยึดเอาว่าตัวตนของเรารูปร่างเป็นแบบนี้เวลาเราตายแล้วมันก็ไปสร้างตามตามจิตที่เราสร้างไว้เลยว่าเนี่ยคือตัวตนของเรามีรูปร่างแบบนี้พอเราเราร่างกายตายแล้วไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ดับไอ้ไอ้รูปขันนามขันนามันก็ดับไดแต่ไอ้ความสร้างไว้เนี่ยมันไม่ดับ ที่มันยึดไว้เนี่ยมันก็ไปเกิดใหม่ตามที่เราสร้างไว้เป็นรูปร่างแบบนี้เขาก็มาพาเอาไปในงานศพแต่ในงานศพเขาก็นั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละร้องไห้ฟู้ฟไฟอยู่นั่นแหละในความทุกข์ยากลําบากคนที่มางานศพก็ไม่เห็นพอคนกลับไปแล้วจะอยู่ยังไงเม่ได้พวกเนี้ยมันก็มีทุกข์อยู่ในงานยึดทุกข์อยู่ในวัดนั่นแหละแล้วมันยึงไม่ได้ปฏิบัติทํามไมได้อะไรมันก็กลายเป็นถูกก้อนแก้งถูกผีเกเรเยอะแยะมากไปในโลกนั่นแหะ แล้วจะอยู่ยังไงมันกดนี้หัวสุกหัวสุนอยู่ในโลกของมนุษย์เนี่ยมันจะใครมากันแก้มมือก็ยังมีมือมีมมท้าชกกับเข้าสู้กับเขามีกฎหมายบ้านเมืองคอยคุ้มครองแต่ในโลกนั้นแหะมันไม่มีแล้วเป็นโลกของคนที่ไม่ ไ, มได้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญบา ร, รมีอะไรโอ้โหถูกกบกันแก้งสารพัดเลยแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเขาก็ลากออกไปบาที่ศพยังไม่ทนันเผาเลยลากไปแล้ว บางทก็รอเผาซะ ก, ก่อนนะ้อมาลา ก, กันถูลูกถูกลางบนเมนนะนะั่นแหลลากกันปเรงปุเลงกระชักกอะยีนี้กันดินอยู่นะนะั่นแหละไอ้พวกกันลากอีกมือหนึงลากอีกมือนึงอีคนก็ลากอยูมือหนึ่งไอ้ตนก็ไล่มือนึงลากกันถูลูกถกลางอนะ่ะเอาสามงามแทงไปโอ้ยน่าสลดสองเวทมากเลยมีชีวิตอยู่ดีๆในโลกมนุษย์แต่ไม่ไม่ได้ทาคุณงาความดีไว้เราตายแล้วถูกคนลากปเลงปเรง ตาโผ่รูดูกางไปต่หน้าต่อตาเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนขออุทิศสุภส่วนให้เขาให้ไงไม่มีหรอกอุทิศให้ไม่ได้เพราะว่าบุญไม่ได้ทํามิตบากกรรมรับไม่ได้เหมือนกับอุทิศสุภส่วนให้ยังไงเหมือนกับว่าคนที่เป่าควันบุหรี่ออกไปอ่ะจะเป่าควันบุหรี่ออกไปไปถึงตัวเขาเป่าพูดไปยังไงก็หายไปกลางอากาศไม่ถึงเป่าให้ก็ไม่ถึงเพราะไม่มีสุภส่วนรองรับ นั่นแหละคนทั้งหลายไม่รู้จักกลัวบาปกรรมแล้วไม่ไม่ไม่ไปพื้นปฏิบัติมันก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นแหละถ้คนมันมันไม่ไปเกาะเกี่ยวบุวพพานอะไรเลยสันกน้อยพอแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานมันไม่เกาะเกี่ยวเมื่อไม่เกาะเกี่ยวไอ้มันก็จะไม่รู้สึกว่ามีตัวตนไปเกาะเกี่ยวถ้าเกาะเกี่ยวอะไรมันก็จะมีตัวตนไปเกาะเกี่ยว การเกาะเกี่ยวใครเกาะเกี่ยวก็ตัวเราไปเกาะเกี่ยวถ้าเราไม่เกาะเกี่ยวไว้ตัวตนของเราก็จะไม่มีไม่เกาะเกี่ยวอะไรเลยก็จะไม่มีตัวตนเลยเพราะว่าเกาะเกี่ยวอะไรก็จะมีตัวตนเราไปเกาะเกี่ยวมีตัวตนของเราถ้าไม่เกาะเกี่ยวอะไรก็จะไม่มีตัวตนของเราไอการเกาะเกี่ยวไว้คือเอาตัวเราไปเกาะเกี่ยวพอสิ่งการเกาะเกี่ยวปุกต้องมีมีตัวตนเลยไม่เกาะเกี่ยวอะไรสักอย่างมันก็ไม่มีตัวตนไอการเกาะเกี่ยวนั่นแหละเขาชื่เรียกว่ากิเลสวิดยึด ไอ้กาะเกี่ยวมันคือยึดเองอะ่ะยึดอะไรไว้ก็เป็นเหตนให้เกิดกิเลสและความทุกข์สิ้นยึดก็สิ้นกิเลสและสิ้นความทุกข์สิ้นกิเลสและสิ้นความทุกข์ก็ไปเกิดไปเป็นทุกข์อีกไม่ได้แล้วเพราะไม่มีที่จะไปเกิดเปรียบเหมือนอย่างเนี้ยจิตวิญญาณเหมือนกับเป็นปลเทียนเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนไฟเทียนถ้าจิตวิญญาณของเราเนี่ยเรายังไม่ตายเนี่ยมันก็มีแต่ปลเทียนของเราดวงเดียว ใจของเราหรืจิตวิญญาณหรือใจของเราเนี่ยก็เหมือนกับไฟเทียนไม่ดวงเดียวเพราะว่ามันชีวิตมันยังไม่ตายไฟก็คือไฟชีวิตยังไม่ตายแต่ไฟชีวิตเราเนี่ยไม่เอาไปเกาะเกี่ยวใครไว้เราเกาะเกี่ยวเปิดมันก็ว่าเราเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่จัประจวันเราชอบเอาเอาไฟเทียนของเราเนี่ยไปจุดไว้ที่โน่นไปจุดไว้ที่นี่ไปจุดไว้ที่ลูกจุดไว้ที่หลานจุดไว้ที่สามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องส้นปัตตานีสามแหน่งลาบยศ ไปจุดในความรักก่อนชั่งมันก็แทนที่ตัวมันจะดับเวลาถึงแก่ความตายเนี่ยไอ้ไฟเทียนของเราดับแต่มันไม่ดับจริงเน่ยเพราะเชื้อไฟเทียนเรามันไปติดไปแล้วที่ที่คนอื่นเชื้อไฟเทียนเราไม่หมดไปมันไปติดไปที่คนอื่นหมดแล้วเราเลยดับไม่ได้แต่ถ้ามันมีไฟเทียนเปลนไฟเทียนเฉพาะในใจเราไม่ไปเกาะเขีย่ยอะไรมีแต่ความสว่างแสงสว่างให้แก่มวลหมู่ ส, สัปปสัจทั้งหลาย มีแต่ความเมตตาเมตตาเมตตาเวลาถึงให้ความตายไฟเทียนก็ดับลงไปที่พระเจ้าตรัสว่าจิตปัญญาณดับไปเหมือนดับไฟเทียนเนี่ยที่ดับไปคือไฟที่สิ้นเชื้อเนี่ยเหมือนดับไฟเทียนที่ที่สิ้นเชื้อคือไฟไฟเป็นไฟที่สิ้นเชื้อและดับไปน่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแต่ใจเนี่ยมันมีแต่อยู่กับใจของตัวเองคืออยู่กับใจของตัวเองที่ที่รู้ใจมีสภาพรู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลย เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่รู้มีความรู้สึกมีคิดมีอาการอะไรก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่ไม่เข้าไปยึดสักอย่างเดียวมันก็ได้แต่รู้ไม่ใช่ว่าไปจ้องรู้ไปดูไปเพ่งรู้ไปพยายามรู้อะไรหรอกมันได้แต่รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวบัวพันไม่เข้าไปคิดอะไรมันก็เลยคงมีแต่อาการของใจทุกคิดทุกอาการแต่ไม่มีผู้เขาไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่มีใครเข้าไปยึด มีแต่อาการหังใจเกิ ด, ดเกิดดบดำเกิดเดับดำเกิดเกิดแดงดำแต่ผู้ไปยึดไปรองรับไม่มีเวลาตายแล้วไอ้อาการหังใจมันก็ดับหมดร่างกายก็ดับหมดแต่ผู้รองรับไม่มีมันก็เลยเป็นความว่างเปล่าไปหมดเลยหายไปเหมือนกับพระโคติกาที่ตายแล้วโยมทูดโยมบาลนนะ่ะหาจิตวิญญาณท่านไปเจอพระุทธเจ้าตรักว่าพระโคติการู้ลุอลหรหันแล้วจิตวิญญาณของท่านสิ้นการยึดอะไรแล้ว มันเลยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหายไปเลยหายตัวไปการปฏิบัติเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องราเหตุการณ์ลำดับแบบเนี้ยเราก็จะปฏิบัติก็จะง่ายเข้าเพราะว่าอะไรพบชาติมันก็มีพบตะลกพบตะวันพบมนุษย์เนี่ยถ้าเรายึดอะไรจะเป็นทุกข์ มันก็ไปนรกแน่นอนแนละ้วไปอาบายไปเป็นสัตว์เลี้ยงชานเป็ดอสุรกายสัตนรกหมกมุ่นในการมาตัญหาราคะแล้วก็ไปเป็นสัตว์เลร้ยงชานมีความโลภมากไปเป็นเปดเป็นสุรกายมีความทุกข์มากติดศีลิดธรมมันก็ไปนูนนะปนน่นนะ่ยไปนรกนู่นเนี่จิตใจมัน เ, านเบามันจะมีแต่บุญกุศลอิ่เอิมในบุญกุศ ล, ศลวามความดีมันก็ไปจ่าวัน เหนือกว่าอบายแล้วเหนือกว่าสวรางขึ้นไปก็เป็นมนุษย์เพราะยังไม่รู้ความสันนิษฐานคือบาป ก, กรรมทั้งหลายก็ไม่ทําคุณงามความดีก็ทําอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะพ้นทุกข์ก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็วนอยู่แค่นี้เนี่ยอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเลยอภพชาติที่จะไปก็อยู่ที่ใจเราความทุกทั้งหมดในปัจจุบันก็อยู่ที่ใจเรา เรายึดของหยาบภายในจิตเราก็หยาดดำปีมาแต่ละคนที่บอกว่าสอบไม่ได้เขาเนี่ยเพราะมันทุกเนี่ยยึดอดีตอยู่มานั่งมานั่งต่อหน้ามันยึดอดีตอยู่เขายังถูกก็จับได้เลยเนี่ยยึดอดีตจะเป็นทุกข์อยู่เนี่ยก็จับได้โอ้ยจะรอดคนแล้วเนี่ยพวกเจ้ามาทู่ดเจ้าพ่อบางเขามาจับได้ถ้าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จับได้ว่าเราเป็นยังไงอะ จะมาทู่จมบาลก็มาจับได้มันเหมือนกันเน่ยความรู้เหมือนกันเพราะเขาเป็นเป็นกายทิพย์จิตทิพย์เขาเรียรู้ได้โดยไม่ต้องกาหนดผ่านกายหยาบอางมนุษย์เลยถ้าเรายึดอะไรจะเป็นทุกข์นี่เขาก็รู้แล้วว่ามันจะไปไหนมันก็ไปได้แล้วแล้วเราคภบคุมที่จะไปไม่ยึดอะไรเลยปัญหาก็ไม่เจอไม่ยึดอะไรสักอย่างปัญหาอะไรก็ไม่เจอเหมือนกับครูบาอาจารย์ทานแต่ะท่านที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ถ้าไม่ยิดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยหาไม่เจอเลยอยังไม่ตายหาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่ทานคิดอะไรมีอารมณ์อะไรหาไม่เจอเวลาตายแล้วยิ่งหาไม่เจอใหญ่เพราะว่ามันได้มีขันห้าแล้วไงไม่มีรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีขันห้าแล้วเวลาตายแล้วยิ่งหาไม่เจอเลยท่านนี้เราต้องอ่านใจของเราในทุกขณะปัจจุบันว่าเรายิดอะไรมันไม่ยิดอะไรอยู่เราต้องเห็นนะ เราปฏิบัติแลต้องเห็นทุกขณะปัจจุบันว่ามันคงมีแต่กิริยาการจะไม่มีใครไปรองรับหรือเปล่าหรือเราไม่เห็นหลักเราโม่วไปทั้งวันโม่วปทั้งวันหม่คิดหม่เ พ, เ พ, เพเลินหม่เพลินเจริญใจทั้งวัน่ะเราไม่เห็นเลยอ่ะมันต้องอ่านใจขคนเองทุกขณะปัจจุบันว่าทุกความรู้สึกทุกคิดอารมณ์ทุกอกิริยาการนีมันคงมีแต่อาการแต่ไม่มีเรา ทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมีแต่กิยาการของมันนั่นแหละอยู่มีแต่อยู่เก้อๆไม่มีใครไปรองรับมันไม่มีใครไปยุ่งวุายกับมันเพราะไอ้ทุกกิยาการมันเป็นกิริยาการของขันห้าเด้นก็ดับหมดเมื่อมีใครไปรองรับมันเนี่ยไม่มีใครยึดมันเนี่ยอ๋อมันก็เลยไม่มีอะไรไปไปรองรับมันชื่อื่นก็บอกแล้วไม่มีใครไปรองรับไปยึดมันก็เลยดับไปไอ้ตัวผู้ยึดไม่ผีก็มันก็ดับหายไปหมดเลย แต่ตัวผู้ประยุดิไว้ไอตัวผู้ยึดมันมันอยู่สิตัวผู้ยึดมันอยู่แต่ไอกลยการมันดับไปแตไอตัวผู้ยึดมันอยู่ย ม, ยย ม, ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลในจิตเรานี่แนะ่พบที่เราจะไปอะ่ะความสิ้นพบสิ้นชาติสิ้นทุกข์มันก็อยู่ในเหตุผลนี้นี่แน่อยู่ที่จิตเรานี่แนะ่อยู่ที่ใจของเรานี่แนะ่มันอยู่ในปัจจุบันนี่แนะ่ความทุกข์ก็ทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยความสิ้นยึดก็สิ้นในปัจจุบันเนี่ยพบชาติมันก่อเกิดในปัจจุบันให้รู้ให้เห็นนี่แน่แล้วตายแล้วันนก็ไปสู่พบชาาติอยง้ มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันเวลาการปฏิบัติมันที่ปฏิบัติด้วยเหตุและผลไงพอยึดอย่างนี้อยู่คุณก็ต้องพร้อมจะไปอย่างนี้พอยึดอย่างนี้อยู่พอยึดอย่างนี้อยู่เราก็ต้องพร้อมจะไปอย่างนี้ยึดอย่างนี้อยู่ต้องพร้อมอย่างนี้ไม่ยึดอะไรด้วยไม่ยึดอะไรก็รู้แล้วไม่ยึดอะไรทุกอย่างคงมีอยู่แต่ไม่ยึดมันก็รู้ทุกอย่างคงมีอยู่แต่ไม่ยึด สังขารร่างกายมีอยู่ความรู้สึกเมือิดารมณ์มีอยู่ก็ใช้ไฟตามตามเหตุผลตามตามสมควรเก่เหตุทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ก็มไม่ยึดความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์นั้นคงม่แต่กิริยาการแต่ผู้ยึดไม่มีเพราะแม่ครูบาอาจารย์เขเป็นอย่างนี้หมดนหละแต่ว่าท่านเน่ยต้องอาจจ่านใจตนเองปฏิบัติเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ชัดเจนในในเห็นในผลเส้นทางเนี่ย เราจะมั่วหน้าดูเลยมั่วอะไรวันนี้ปฏิบัติอย่างนู้นวนุษย์ปฏิบัติอย่างนี้สำนักนั้นชวนไปปฏิบัติอย่างนี้เขาพาไปปฏิบัติสำนักนู้นท่านนู้นชวนเราปฏิบัติอย่างนี้ท่านนี้ชวนเราปฏิบัติอย่างนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติด้วยสติปัญญาเราก็มั่วเลยสุกก็ลาคนลาไปทีคนนี้ลาไปทีลาคนไปลาไปทีเราไม่รู้อะไรอะไรคือความสิ้นทุกข์อะไรคือความสิ้นทุกข์อะไรคือสิ้นพพชาติ เราเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ในเหตุผลที่พระเจ้าสอนไว้แล้วเราก็บดีเราก็ไม่ได้เห็นในตัวของเราเองผมก็เลยมันเลยปฏิบัติมัวๆเราก็ไปตามเดี๋ยวก็เราไปตำหนักนั้นมาเขาบอกปฏิปบัติแบบนี้แล้วก็ถทำแบบนี้แล้๋ยวเขาลาบไปสํานักโน้นไปอะไรแบบนี้นถทำอยากก่างเขาสอนไปหัวไปหมดแหละแบบเนี้ยว่าไงอ่ะเสียงเราได้นะคานเราได้เอา ให้เสียงให้ค้านเราจะเป็นครูบาอาจารย์คนแล้วเป็นหัวหน้าเขาตั้งเยอะมีลูกน้องตั้งเยอะมีครูบาอาจารย์คนชื่อเหลือคนอื่นได้แล้วเรามั่วไม่ได้นะถ้าครูบาอาจารย์คนเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นําของคนกลุ่มคนเรามั่วสักคนแล้วคนอื่นจะไปเดินทางไปหไหนเราอย่ามั่วมั่วขับรถหลงทางลงไปลงมาลงซ้ายหลงขวาพาพวกที่ตามหลังมาเนี่ย หลงทางเสด็จเลยเอาไหนบอกมันซิเอาไปยังไงอ่ะพูดมาแก่ใจเลยเอาก็วันนี้ฟังรอนตาก็ชัดเจนขึ้นค่ะชัดเจนขึ้นตรงที่ว่าถ้ายึดอะไรไว้ก็ต้องไปอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปยึดอย่า ไ, ไม่ยึดก็ก็ไม่ต้องไปมันก็รู้สึกว่าอืมจริงจถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกจริงๆริงแต่ว่าเอ้ยในส่วนของการที่ผู้ท่าดรู้ ธ ร, รมธาตุกับไอ้ตัวตัวที่รู้ในขันท่าไม่ทราบว่าอย่างเวลาสวดมนต์มันก็สวดมันก็จะมีความคิด น, นู้นคิดนี้แทรกตลอดมันก็เห็นว่าอ๋อนั้นจิตมันทํางานของมันเองเป็นขันท่าทํางานเองอย่างเงี้ยถือว่าถือว่ามันเป็นรู้ไหมคะคือก็อยังสวดมนต์อยู่แล้วก็เห็นไอ้พวกนั้นแล้วก็โยนนิสโวไว้ว่าพวกนี้คือขันท่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ อย่าของพันนันทําอย่างนั้นมันหยาบไปแล้วมันหยาบไปแต่ ม, มันเป็นขั้นเด็กๆที่เด็กๆกขาจะต้องทํากันแบบนั้นเราปฏิบัติมาหลายปีแล้วเป็นผู้นําคนผู้สอนคนผู้ชีแนะเราจะปฏิบัติอยู่ในแค่ขั้นนี้ไม่ได้ขั้นเนี้ยมันจะเป็นขั้นที่มีตัวเราเกิดมนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมา แสกซ้อนระหว่างคําสวดมนต์ความคิดอารมณ์ความรู้สึกใจแสกซ้อนมาเราก็พยายามเราก็รักษาตัวเราเนี่ยไม่ให้ตัวเราเนี่ยมาหลงไปกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกให้เราสวดมนต์ถูกต้องไม่ให้หลงหลุดออกจากคำสวดมนต์ไปติดกับความรู้สึกความคิดอารมณ์อันนี้เป็นขั้นอย่างนี้อยู่มันยังไม่ขั้นที่ว่ามันยังมีตัวเราอยู่ยืนพื้นมันมีตัวเรายืนพื้นคือตัวเราเนี่ยให้สวดมนต์ไว้ เราไม่หลงคํามสวดพนเนี่ยไปกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไปทางลงไปกับทางตาหูจะมูลิ้วใจใจแม้แต่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในขณะปัจจุบันเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวเราเนี่ยหลงไปทางตาหูจะมูลิ้วใจใจหลงไปกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราต้องบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นหลักยึดไวแต่หลักสําคัญที่คือมันมีตัวเรามันมีตัวเรารักษาตัวเราไม่ให้ตัวเราเนี่ยติดไปกับอะไรไยตึงไว้กับหลักไว้มันมีตัวเราอยู่ ในตัวเราติดไปกับอะไรเราต้องพยายามตึงกับความสวดพนไว้สวดมนต์สวดมนหรือ บ, บ, บริกรรมพุโทโธพุทโธพุทโธไว้เพื่อไม่ให้มันเนี่ยหลุดไปติดอะไรทางสิ่งที่เราเห็นในหลุดไปหาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสมบัติพันธสัมนไม่ให้หลงไปแนอดีตไม่ให้หลงไปนาคตไม่ตัวเราเนี่ยมันหลงไปแนวอดีตหลงไปในวนาคตฏไม่ไม่หลงไปกับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสามีภรรยา ก็ไม่มีตัวเราในหลงไปกับความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันไม่หลงไปจิตนู่นจิตนี่แต่มันมีสภาพที่รักษาตัวเราไว้ก็คือต่ออัลักไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเวลาทั้งวนันเพื่อไม่ให้เนี่ยมันหลงไปอันนี้มันต้องฝึกสาหรับคนที่เด็กๆกเข้ามาใหม่เนี่ยก็ต้องฝึกหมดแต่เราเนี่ยมันฝึกมาหลายปีแล้วมันในขั้นของเป็นเป็ น, ปนครูบาอาจารย์คนละมันจะไปเป็นอย่างเด็ก ๆ, ๆมันจะไปเป็นถ อ, อยไว้ยอย่างเด็กๆเนี่ย อันนั้นมันเป็นขั้นที่มีตัวอยู่รักษาตัวไม่ตัวเราเนี่ยหลงไปกับอะไรเราต้องมีปัญญาเนี่ยสอนมันสอนมาตั้งหลายโหดสามนานเลย ว, ว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราตัวต้นของเราไม่มีเพฉะนั้นจึงไม่ต้องรักษาอะไรไว้แต่เพียงว่าไม่มีใครติดไปกับอะไรและไม่ต้องรักษาตัวไว้แต่เห็นว่าตัวเราไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย จึงไม่มีต้องรักษาไว้ให้ตัวเราเป็นอย่างไรไม่ต้องรักษาให้ตัวเราเนี่ยติดอะไรหรือไม่ติดอะไรเพราะตัวเราไม่มีแต่เห็นว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ยคงมีแต่สิ่งที่ที่ปรากฏแต่ไม่มีตัวเราไปไปติดอะไรหรือไม่ติดอะไรเพราะตัวเราไม่มีเช่นมีความรู้สึกนักคิดอารมณ์มีโปร่งโล่งเบาสบายมีความรู้สึกว่างแต่คงมีแต่อาการอย่างนั้นเนี่ยตัวเราไม่มีแต่อาการเหล่านั้นน่ะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความโปร่งโลกเบาสบายความว่างว่างว่าความไม่ปร่งโลกเบาสบายความคิดอ่วนนักผู้ส่วมันมีของมันตลอดนะแต่ไม่มีตัวเราลองรับมีแต่สิ่งเหล่านี้แหะแต่ตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเรายึงไม่มีตัวเราต้องรักษาตัวเราไว้เพราะตัวเราไม่มีแล้วไม่มีตัวเราไปติดอะไรแล้วไม่พยายามจะเอาตัวเราออกมาจากอะไรเพราะตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเรา มันคงเป็นแต่สิ่งที่มีแต่ตัวเราไม่มีพิจารสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันคือความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ความรู้สึกโปร่งโล่เบาสบายความรู้สึกว่างว่างความรู้สึกแน่นอึดอัดตื้อๆความคิดอารมณ์ความรู้สึกมันคงมีแต่อย่างนั้นเนี่ยคงจะมีแต่พิจาสิ่งที่มีแต่ตัวเราไม่มีสิ่งที่มีเนี่ยก็คงมีอยู่อย่างง่ายเนี่เกิดๆดับๆเกิดกระดับๆอย่างนั้นแหละตัวเราไม่มีนี่เราไม่ต้องพูดถึงสิ่งห ย, ยาบหในโลกนี่เลยสิ่งหยาบหในโลกนี้มีทั้งหมดผู้หญ ทุกอย่างมันมีหมดแต่ตัวเราไม่มีแต่ทุกอย่างที่มีหมดเนี่ยเราไม่เอาไปสักอย่างเดียวไม่มีตัวเราเอาไปพอตายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ดับลงคือเราไม่มีตัวตนทุกอย่างก็คงมีอยู่ในโลกเนี้ยพอแม่พี่น้องลูกหลานสมบัติพระสังขานตำแหน่งลาภยศก็คงก็คงไปอยู่อยเงี้ยสมบัติผันกรชมเขาก็อยู่ในโลกนี้ของเขาต่อไปตัวตำแหน่งลาบยศสมบัติสถานก็สมบัติผันกรชมไลาเป็นของคนอื่นไปแต่ตัวเราไม่มีแล้ว ตัวเราไม่มีแต่แหกม้าแล้วก็ไม่มีตัวเราไอ้ส่วนร่างกายก็เน่าไปไอ้ส่วนเวทนาสัญญาสร้างข่าววิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะดีมากโล่งมากเบามากสว่างมากมันก็ดับไปหมดไม่ว่ามันจะดําไม่ว่ามันจะโล่งไม่ว่ามันจะแน่นไม่ว่าจะผ่องใสไม่ว่าจะเศร้าหมองถึงเวลาดับไอ้คนนี้ดับหมดเลยความผ่องใสก็ดับความเศร้าหมองก็ดับมันดับไปหมด เพราะตัวเราไม่ม <But S 2> <icki, S 1> ีไงไม่มีตัวเราแต่ทุกการิยอาการเนี่ยที่มันเป็นของคู่กันคือมันเป็นของคู่คือมันมีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันดับโมดเพราะเป็นของไม่เที่ยงมีฟองใสก็มีเศ้าหมองมีสว่างก็มีมืดมีโปร่งโล่งเบาสบายก็มีแน่นจิตอัดทึ่งทุกอย่างมันเป็นของคู่ของคู่เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปแตะมันอย่าไปยุ่งกับมันเพราะมันของไม่เที่ยงถ้าเราไม่ยุ่งกับของคู่เนี่ยเราจะไปติดอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าเราไม่จิดโป่งโลกเบาสบายไอสิ่งที่ตามป๋งโลกเบาสบายมาคือแน่นเขาไม่เราแน่นจุกดอัดทึบซึ้งม่วงซึมถูกดูดเข้าไปถ้าเราไป่จิตเบาเบาว่างๆเราก็จะไม่ติดความทุกข์ถ้าเราไม่จิตฟังดีเราก็จะไม่ติดฝังที่ไม่ดีถ้าเราไม่เกลียดฝังไม่ดีดิ้นรนฝักใสกิริยาการที่ไม่ถูกใจเราไม่ไม่ดิ้นรนฝักใสเราก็จะไม่ไปโหยหายอาการที่ถูกใจ ใจเราก็จะเป็นกลางมันจะดีเราก็แค่รู้มันไม่ดีเราก็แค่รู้ใจเราเป็นกลางเห็นว่ามันไม่เที่ยงไอ้โปงโล่งเบาสบายว่างๆเราไปติดมันเราก็จะต้องติดไ่ายที่ฝังตรงข้ามมาด้วยคือติดความไม่พ่องใสติดเศร้าหมองติดทิฐิอัดติดแน่นติดทิฐิ้อมันมันของคู่กันนะมันเป็นของธรรมชาติที่เป็นของคู่ถ้าเราติดฝั่งหนึ่งต้องติดอีกฝั่งหนึ่งอย่าติดของคู่ธรรมชาติของคู่ต้องเป็นมัชชีมาปฏิปทารับรู้ได้ใจเป็นกลาง เป็นอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ว่ารับรู้เฉยเฉยไม่ทำไม่ใช่ว่าทําใจเฉยเฉคือรับรู้ด้วยใจเป็นกลางด้วยความเที่ยงธรรมเหมือนกับผู้อาสาเนี่ยเวลาขึ้นบอลลังเนี่ยฝ่ายโจทฝ่ายจําเลยก็ ต, ตีลวนฝ่ายนี้ตีลวนฝ่ายนี้โอ้โหพูดดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ห ล, ลงฝ่ายดีไอฝ่ายที่ตีลวนเราก็ไม่ไปโกรธแค้นแค้นเ ค, คืองเอามาเขียนลงโทษในคำว่าสาเพราะมีความเที่ยงธรรมทั้งสองฝ่ายดีไม่ดีก็รู้อยู่ชั่วหรือดีก็รู้อยู่ อีกฝ่ายหนึ่งตีล้วนก็รู้อยู่อีกฝ่ายหนึ่งเอาใจก็รู้อยู่แต่รับรู้เนี่ยไม่ติดฝ่ายที่เอาใจไม่ติดฝ่ายที่ถูกใจและไม่ไม่เกิดความไม่พอใจฝ่ายที่ไม่ไม่ถูกใจในขณะปัจจุบนันแต่ละขณะปัจจุบันคู่ความแต่ละคู่ความที่เข้ามาเวลาเขียน ค, คําภาษาตรก็เขียนด้วยความเที่ยงธรรมคือไม่รับเอียงไปทั้งอาการที่ถูกใจคือฝ่ายที่อ่อนเ้อดออดไม่เกียจชังฝ่ายที่คอยตีล้วน เอามาเขียนลงโทษใจมีความเที่ยงธรรมกับทั้งสองฝ่ายเวลาเขียนคำภากษาไม่เคยเอาไอ้ที่มันออดออดอ้ อ, อ, อ, อซะมาเขียนไม่เคยเอาไอ้ที่ปีดวนมามาพิพากษาลงโทษแรงๆก็เขียนแต่ข้อที่จริงในความเที่ยงธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอุเบกขาไม่ใช่ว่าอุเบกขาคือเฉยเฉยนะอุเบกขาคือใจมีความเที่ยงธรรมเขาจึงเรียกว่าผู้วิพากษาที่ที่มีความเที่ยงธรรมไม่ไม่มีอคติตีเนี่ยไม่รับเพียงเพราะ รักไม่ระเบียบเพราะช้างไม่ระเบียบเพราะเพราะไอะความโลภเนี่ยไม่ระเบียบเพราะความหลงเนี่ยเขาจึงเรียกว่าผู้ทรงธรรมผู้รักษาที่ทรงธรรมเป็นผู้เที่ยงธรรมทรงธรรมเหมือนการผู้ปฏิบัติเนี่ยอันนั้นมันเที่ยงธรรมต่อคู่ความแต่มันนี่มันเที่ยงธรรมต่อทุกสภาวะปริยาการภายในจิตใจเรามันมีความเที่ยงธรรมเอ๊ะมันมีความเที่ยงธรรมเลย มันมีความเที่ยงธรรมแล้วเนี่ยเขาชี้เกยว่ามัชชีมาปฏิปทาหรือเบขาหรือรับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางที่หลวงพุทศเทพน้ำศรีนั้นว่าผู้ใดเนี่ยทำใจถึงขึ้นความเป็นกลางได้หรือรับรู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางคือเป็นผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ใช่ว่าทาใจให้มันว่างว่างทำใจเบาๆทำใจกลางๆทาใจที่นิ่งๆอะไรไม่ใช่รับรู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางคือเป็นผู้มีความเที่ยงธรรมทรงธรรมต่อทุกสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะไม่หลงไปเลย ไม่ถูกฝ่ายที่น่าดึงดูดใจที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างๆเนี่ยมันดึงดูดใจเราไปได้เพราะว่าไอ้นี่คือเปรียบเหมือนฝ่ายที่ออนซ้อมาว่าความแล้วก็ออนซ้อเอาใจพเนาะพนอเราก็ไม่ถูกมาดูดไปเราขึ้นเป็นลางอีกฝ่ายหนึ่งตี้วนอยู่เลยเราก็ไม่รู้สึกว่าออาการที่มันไม่ถูกใจเนี่ยมันน่าลมโทษแรงๆไม่ถูกดูดไปไม่ไม่มโหไม่ไม่มีอารมณ์ที่เรามีความเที่ยงธรรมกับสองฝ่ายนี่แน่เขาเรียกว่ามัชชีมาปฏิปทา รับรู้ทุกอย่างในทุกขาญญาณาปัจจุบันทุกสภาวะด้วยใจเที่ยงธรรมผู้ใดทําใจถึงซึ่งความเป็นกลางได้ไเรีย่ว่าไปทํำใจว่างๆทาใจเป็นกลางคือเป็นผู้มีใจเที่ยงธรรมอ่ะผู้ใดมีใจซึ่งเที่ยงธรรมคือเรียกว่าใจเป็นกลางได้ผู้นั้นจะทนจากทุกทั้งปวงปัจฉิมารติติพทาะถ้าติดไปในฝ่ายถูกใจมันก็เป็นการมาฉันทะติดไปนี่ลงไปในฝ่ายที่ไม่พอใจหงุดหงิดเขาเอามาลงโทษ ไม่พอใจดิ้นรนผักไสาอาการที่ไม่ถูกใจมันก็เป็นอัตตาเกลมาฐานิโยกมันก็เป็นอัตตาอัตตาเนี่ยมันก็เข้าไปในอัตตาเกลมาฐานิโยกคือไม่พอใจอันนี้เป็นกา ร, การมาฉันทะคือติดไปในความพอใจติดในความไม่พอใจมัชฌิมาปฏิปทาไม่ติดไปทั้งสองฝั่งผู้ได้ทําใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งตัวทุกขนาปัจจุบันเนี่ย ต้องดูใจเราว่าเราเนี่ยติดเข้าไปในกับอะไรมีตัวเราเข้าไปติดในอะไรไหมรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปติดเลยถ้าเรายังไม่ติดไปกับอะไรไม่ต้องหาว่าตัวเราหรือไม่มีตัวเราตัวเรามันไม่มีเองโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ติดอะไรเราไม่ต้องว่าไปพยายามทําลายตัวเราทุกทุกขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ติดไปกับอะไรเลยทั้งสองฝั่งอาการที่ถูกใจก็ไปติดในแต่รับรู้รับทราบอาการที่ไม่ถูกใจก็ไม่ดิลผักใจ ไม่ติดเพลินคิดไปไม่ติดเพลินไปทางตาหูจะบกลิ้นกายใจไม่ต้องไปคิดทําลายตัวเองมันไม่มีตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นความเพลินใจไปตัวตนก็ไม่มีไม่ต้องคิดว่าจะไปทํำลายตัวตนตัวตนมันก็ไม่มีโดยอัตโนมัตินันธิราคะสหกตาตัตตะระตัตตะราพิณธีเสยยะธิทางกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความเพลินใจอยาติดไปกับอะไร ในสองฝั่งเนี่ยทั้งที่พอใจแล้วไม่พอใจมันเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งอุปทานมีตัวเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นบ่อเกิดแห่งภพชาติถ้าให้เกิดภพชาติในใจเรา่บอบภพอบชาติไว้เราตายแล้วก็ไปตามภพชาตินั้นภพชาติเป็นบ่อให้เกิดชรามรณะโสกปริเตวะทุกทกะโทนระดูฟ า, ายาสะทุกโศกเศร้าเสียใจยขับแค้นใจมันก็จะวนเวียนอยู่ในเนี้ วนเวียนในความเกิดและความทุกข์อยู่ในภพในใจแล้วนี่เนี่ยพอตายแล้วก็ไปอย่างนั้นจริงๆพอสิ้นนันทิสิ้นความเพลินตัณหาก็ดับพอตัณหาดับอุปทานก็ดับอุปทานดับภพบก็ดับชาติก็ดับชรลาบารณะก็ดั บ, ดบทุกโศกเศร้าวเสียใจครับแค้นใจทั้งหลายก็ดับพร้อมการเวียนว่ายตายเกิดก็ดับพร้อมสิ้นนันทิคือความเพลินเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เพลินคิดปูงแต่งอะไรไปเพลินอยู่กับทําอะไรใจก็เพลินอยู่กับสิ่งนั้นเราต้องรู้ว่าใจเราเพลินติดไปในกับสิ่งที่ที่เราทําอยู่ในนั้นหรือเราแก่รู้ตัวอยู่ว่ากําลังทําอะไรอยู่แต่ไม่ได้เพลินติดไปถ้ารู้ตัวกำลังทำอะไรอยู่แ ต, ต แ, ตตยแต่ใจไม่เพลินติดไปมันไม่เพลินเราอ่านดูอ่านใจเรารู้ว่าเราไม่ได้เพลินติดไปกับอะไรมันก็ไม่มีนันทิไอ้นันทิเนี่ยเป็นตัวร้าย พอระดับนั้นที่คือความเพลินไปได้เพลินเพลินไปต่า ง, างๆก็จะหมนลิ้นใจใจได้เพลินคิดเปพลินจะลงไปปัญหาระดับปัญหาดับผุปทานอ่ะความเป็นตัวเราที่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้ก็ดับเราไม่ต้องคิดทำลายตัวเราแต่ระดับความดับความเพลินใจคือใจไม่เป็นกลางที่ดีเราชอบที่ช่งเราเกลียดเกลียดทุกรักสุขดีรักชั่วช่างดีรักชั่วจังเกลียดทุกหักสุขอยู่เนี่นเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางต่อทุกสภาวะ ต่อทุกกิริยาการในปัจจุบันถ้าใจเราเป็นกลางมันจะไม่ติดไปกับอะไรเลยทุกอย่างรับรู้ความรู้เป็นกไปคิดอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันในใจเป็นกลางเมื่อเราเป็นกลางต่อกิริยาการภายในใจของเราเราก็จะเป็นกลางต่อภายนอกไปหมดเพราะกิริยาการที่อยู่ภายในใจของเรามันใกล้ใจที่สุดแล้วคือมันเป็นประตูใจถ้าเราใจเป็นกลางต่อประตูใจได้เนี่ยคือทำอารมณ์เนี่ยไม่ว่าทำอารมณ์คือสิ่งที่ทุกกิริยาอาการที่ถูกรับรู้ได้ทำประตูใจ คือความรู้สึกความนึกความคิดอารมณ์ต่างๆที่ถูกรับรู้ได้ทางประตูใจเนี่ยไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจใจเราก็เป็นกลางมีความเที่ยงธรรมต่อทุกสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเราเป็นกลางต่อทุกสภาวะทุกกิริยาการในปัจจุบันทางตาประตูใจมันจะเป็นกลางต่อทุกสภาวะในภายนอกทุกประตูทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันต้องเป็นกลางที่ประตูใจเนี่ยและมันจะเป็นกลางต่อภายนอกได้ แต่ผู้วักษาเนี่ยเป็นกลางเฉพาะตอนขึ้นบอลลางก็คู่ความแต่เราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมลย์เข้ามาอีกคือเป็นกลางทุกประตูทั้งประตูหูด้วยประตูตาประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายและประตูใจด้วยหกประตูทุกขณะปัจจุบันด้วยนะแต่มันก็เป็นกันแบบเดียวกันถ้าเราเข้าใจความเที่ยงธรรมเป็นธรรมของผู้วักษาที่ขึ้นนั่งบนลงังแล้วก็มีโจทย์จำเลย อ, อยู่ข้างล่างสองฝ่าย แล้เราตัดสินพิจนารณาคดีด้วยความเป็นธรรมเที่ยงธรรมไม่ติดไปกับฝ่ายโจทก์จมเลยไม่เข้าไปรักฝ่ายโจทไม่เข้าไปชังฝ่ายจมเลยไม่เข้าไปรักฝ่ายจมเลยแล้วชังฝ่ายโจทคือมีใจเที่ยงธรรมนั่นแน่ถ้าเราเที่ยงธรรมทำประตูใจด้วยทุกกกริยาการที่กระทบทำประตูใจทุกกริยาการที่กระทบทางตาหูจมุลิศกายใจเรามีความเที่ยงธรรมทุกนาปัจจุบันนั่นแน่เรียกว่าถึงธรรมบรรลุธรรม กินกับทานอนกับทาอยู่กับทาไปไหนก็ไปกับทาเราไม่ต้องคิดจะไปทำลายตัวเราดับตัวเราเลยเพราะเมื่อใจเป็นกลางแล้วนันทิกู่ความเพลินไปทางประตูไหนมันก็ไม่มีตัณหากระดับอุปทานความเป็นตัวเราที่จะไปยึดนั่นยึดนี่มันกระดับไปพร้อมภพชาติก็ระดับความทุกข์ทั้งมวลกระดับกรรมเียนว้ตายเกิดกระดับทอง สมที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดทําใจถึงซึ่งความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกพ้นจากทุกทั้งปวงเราถามหลวงปู่เหรียญกลับเรียนถามหลวงปู่เหรียญเวลาโผพระอหรหันต์ที่ท่านมันฟึ่งมรณะภาพไปแล้วว่าหลวงปู่มีอะไรเป็นวิหารธรรมในทุกขณะปัจจุบันมีอะไรเป็นเรื่องอยู่ปูเบกขารับรู้ทุกอย่างได้แจกเป็นกลางในทุกขณะปัจจุบันมันก็สมอย่างที่พระองค์ตัดในนี้เราพูดนี่ เราฟังจากท่านเองเราถามท่านเองอู่เรียนเวลาโก้เผาเสร็จแล้วกระดูดใส่เอ๊ะเท่ากระดูท่านสายเป็นแก้วเราคานก็ไปกราบท่านถามท่านวู่มีอะไรเป็นวิหารธรรมรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่หมดนิ่งๆเฉยๆรับรู้ในใจว่างๆนิ่งเฉยนะรับรู้ด้วยอย่างด้วยความเที่ยงธรรมทุกนาิีปัจจุบันโดยเฉพาะประตูใจไม่หลงไปกับ ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดเลยไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจมันก็จะไม่หลงไปกับภายนอกด้วยคือมีความเที่ยงธรรมตลอดเวลาอยากที่เที่ยงธรรมตลอดเวลาเนี่ยคือปชิมาปฏิปทาหรือเป็นอุบเบกขาอันนี้เนี่ยล้วเราเจอหลวงปูอ่องค์หนึ่งหลวงปู่เลล์ที่ทำทำช้ยบาดาล ท่านบอกว่าโอ้เราเล่าให้ท่านฟังอย่างเงี้ยเรื่องปู่เรียนเนี่ยท่านบอกโอ้ปูเบิขาเนี่ยมันคือปัญญาอันสูงสุดนะไม่ใช่ว่าอุเบิขาเนี่ยทื่อๆรู้ทืๆเงี้ยปฏิช็อบทำรู้ทื่อๆรู้ทืๆคือมันเป็นสกดรจิตให้นิ่งเฉยรับแล้วมันไม่ยอมรับรู้อะไรรับรู้อะไรทำทำใจเฉยเฉยรับรู้อะไรทําใจว่างๆรู้อะไรได้แจว่างๆนิ่งเฉยเฉยไอ้นี่มันทื่อๆมันไม่ใช่ว่ารู้ซื่อๆมันทื่อๆมันไม่ใช่ว่าเที่ยงธรรมรับรู้ในความเที่ยงธรรมใยเป็นกลางอันนี้มันผิด ที่เราเล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าโ doll, อ lawn, ้อย bon ่างนี้ไอ้เนี้ยอุเบกขาอันนี้มันคือปัญญาอสูงสุดผู้มีปัญญาสูงสุดแล้วเนี้ยคือเรารู้ทุกอย่างด้วยใจเที่ยงธรรมเป็นกลางคือพ้นจากทุกทั้งพวงได้ที่หลวงปู่หลบงปู่เทศเดชหลังสรีนั่นว่าผู้ใดตั้งใจถึงด้วความเป็นกลางได้คุณนั้นจะพ้นจากทุกทั้งพวกดังนั้นอ่านใจเราเนี้ยทุกนาปัจจุบันอ่านขาดหมดเลยอ่ะนาปัจจุบันก็เที่ยงธรรมไหมผู้เที่ยงธรรไม เราเคยมีพระนั่งรถไปกับเรานั่งข้างหลังนั่งเบาะหลังเน่ยมาเจอเราใหม่ๆด้วยเราบอกเลยว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ไม่เที่ยงธรรมท่านตกใจ อ, อ่ะอ๋อทำไมอาจารย์มาว่าผมไม่เที่ยงธรรมท่านเป็นผู้ไม่เที่ยงธรรมเราพูดตรงๆเลยก็เลยท่านนั่งอยู่บนเบาะหลังเน่ะ ท่าพยายามปรับปรับแต่งแต่งปรับปรับแต่งแต่งแก้ไขอาการใจข้างไหนที่มันไม่ถูกใจจะให้แต่มันมีอาการที่ถูกใจปรับแต่งแต่งปรับปรับแต่งแต่อาการทองใจตลอดทางเลยจะเอาแต่อาการที่ถูกใจอาการที่ไม่ถูกใจไม่ชอบจะพยายามจะปรับให้มันเป็นอาการที่ถูกใจตลอดเราเลยว่าท่านว่าท่านเนี่เป็นคนไม่เที่ยมทัรเป็นผู้ไม่เที่ยมทัรอาการที่ถูกใจท่านพยายามจะโหยหาพยายามจะ ทำให้มันถูกใจอาการที่ไม่ถูกใจจะพยายามที่หลน่นฝักใส่ปรับปรับแต่งแต่งอยู่ น, นั่นแหละท่านเป็นผู้ไม่เที่ยงธรรมโอ้ท่านเลยเข้าใจนึกว่าท่านหรืออะแรอาจารย์ทำไมว่าผมไปพูดไม่เที่ยงธรรมก็เห็นท่านนั่งในรถมาเนี่ยนั่งมาตลอดทางปรับปรับแต่งแต่งปรับปรับแต่งแต่งอาการน้องใจอยู่นั่นแหละแต่เอาแต่อาการน้องใจที่ที่ที่ถูกใจคืออาการที่มันโปร่งโล่งสบายกว่างๆอาการที่มันไม่ถูกใจไม่ชอบที่หล่ฝักใส่ อย่างนี้มันเป็นพูกไม่เที่ยงธรรมเนีมันชอบฟังหนึ่งไม่ชอบอีกฝังหนึ่งอย่างนี้มันพ้นทุกข์ไม่ได้นะเกลียดทุกข์รักสุขดีรักช่วยช่งดีรักชั่วยช่งเกลียดทุกข์รับสุขนี่แน่ที่มันพนทุกข right? ์ไม่ได้มันติดอยู่ตรงนี้เนี่มันต้องอานใจตัวเองให้ขาดในทุกขณะปัจจุบันมันดิ้นรนห้ยหานงอีกฝั่งไปหายฝั่งไหมดิ้นรนผักใส่อีกฝั่งหนึ่งพยายามมาหายฝั่งหนึ่งไหมทุกขณะปัจจุบันเนี่ยรู้ใจลอนล็อบลู้ดในความเที่ยงธรรมในความปกฝึแบบ ถอยกลับไปกอยางขันเด็กๆเนี่ยเนยพุทโธพุทโธพุทโธากพุทโธาไปพุทโธมากพุทโธมากไปทุกโธมากพุทโธสักสัวรู้มากพุทโธหลงมากไม่หลงมากอะไรไปเรื่อยๆนี่ถอยไปถอยลงไปเรื่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเหมือนเด็กมันต้องยืนพื้นมันต้องยืนพื้นกับติดจดจอดจอกับติดตรงปัญญาขั้นเนี้ยอยาให้มันหลุดออกไปจใจเรา มันอ่านใจเนี่ยในใจของตัวเองอ่านมันขาดทุกข์ขนาดจิตปัจจุบนันเราต้องมาขั้นนี้แล้วว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมานานแล้วเป็นครูบาอาจารย์คนได้แล้วเป็นผู้นําคนต้องช่วยเราได้แล้วแต่ปฏิบัติไปเดี๋ยวก็ไปถอยถอยถอยถอยไปนั่งนิ่งๆถอยไปถึงขั้นไหนแล้วถอยลงไปเรือเ่อยเลยือมันมาในวันทีมม่มาหาเราตอนเราตามันจะพ้นทุกข์ไปได้เลยเอะ ทำไปทํามาถอยลงไปอีกเลยมันถอยลงไปไปปฏิบัติถึงขั้นพื้นฐานเด็กๆเองเลยมันเลยเป็นอย่างนี้หมายบอกพี่เอา้าหาเราได้นะเอ้กว่าเราก็แตะว่าอย่างไงเห็นด้ไม่เห็นด้วยอเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ใช่บอกความในใจพีก่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็รู้แต่ว่ามันมัว่ะ ทำไมมันมั่วล่ะ่อนที่ก็อสอนอยู่อย่างนี้อยู่ตั้งนานแล้วไอ้คำสอนพวกนี้ก็เคยได้ยินมาอยู่ไมใช่หรอก็ได้ยินตลอดคะะ่ะแต่มันไม่คิดว่าตัวเองทำได้มั้ยคะโอ้โหนี่ตรงนี้ตรงนี้คาพูดตรงนี้เนี่ยเกิดการเป็นพิสารผิดเลยมาปิดกั้นเลยตรงเนี้ย กลายเป็นอธิษฐานจิตติดกั้นตัวเองเลยไปไม่ได้เพราะอธิษฐานจิตติดกั้นเลย่ะไปคิดปฏิเสะทําได้เราพูดอยูหลายครั้งไม่คิดปฏิเสธจะทําได้อันนี้ยังไม่เอาฟังไปก่อนฟังไปก่อนฟัไปก่อนเธอไปอธิษฐานจิตจนไม่รู้ตัวแล้วนะเนี่ยเธอตัดเลยว่าไม่เอาวันนี้ไม่เอาเราทําไม่ได้เราทำไม่ได้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราแต่ถ้าอธิษฐานจิตติดกั้นไปแล้วอันเนี้ย อ น, นีี้เป็นเหตุเลยที่ทําให้เธอไ ป, ป่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเธอกลับไปวนไปข้างล่างอย่างเก่าอีกกลับไปทําอยู่ข้างล่างคล้ายๆเธอบอกว่าไม่เอามหาวิทยาลัยมันสูงสําหรับเราไม่เอาเราเรียนแค่ชั้นประถม ป, ปรเทยจบอยู่นี่เนี่ยเราไม่ไปเรามหาวิทยาลัยไปไม่ได้เราไปไม่ถึงเราก็ยังไงก็ไม่ดูดออจกจากมัจยยประฐมเราคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปไม่ได้เราคิดแต่เราไปไม่ได้ไปไม่ได้มันแปลที่ฐานจิตปิดกั้นตัวเองสะแล้ว เราต้องทํายังไงคะก็ต้องถอนคือนี่นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าไม่มีอะไรนะที่จะปิดการเราต้องทะลุอย่างเดียวว่าต้องนิพพานในปัจจุบันนี้หรือสิ้นกิเลสดับนิจชาทิฏฐิกิเลสตัณหาอุปาทานที่ความหลงในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้โดยพลันด้วยอำนาจคุตานุพพวิเนศธรรมานุพพาวิเนศสังฆานุพพาวิเนะคุณธรรมดากุบาอาจารย์บุญปรลบีที่เราทำมาทั้งหมดในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยเพหมดหน้าตักในปัจจุบันนี้เลยมาใช้ให้มัน บรรลุนิพพานในปัจจุบันนี้หรือทิ้งกิเลสในปัจจุบันนี้มัคือเราก็พูดแต่พูดอยู่ตั้งนานน่ะแต่ด้วยเตือยที่ฐานจิตปิดกั้นไว้เนี่ยหลายคนก็เป็นแบบนี้นะไม่ใช่เฉพาะของนั้นอย่างเดียวละหลายคนก็เป็นแบบนี้ยโราที่เราพูดมันสูงไปไม่ฟัง ม, มันไม่ใช่ของเราเร า, เราไปไม่ถึงเราเป็นไปไม่ได้เราเป็นไปไม่ได้เ ร, เ, ไไไดเราไปเอาอะ เราเราคิดอย่างเนี้ยพอรู้สึกแบบเนี้ยก็เรียกเป็นเป็นอธิษฐานจิตเลยก็าเป็นอธิษฐานกันเลยแล้วมันก็ไปไม่ได้จริงๆมันไปไม่ได้จริงๆต้องเชื่อมัน่นศรัทธาต้องศรัทธาต้องมีความศรัทธาเชื่อมัน่นแล้ว่อกไปได้กับไปได้นี่นไปไม่ได้จะลากมันจะถึงขนาดนีนน้ลากมาทุกวันลากมาตั้งไปกี่ปีแล้ว เราไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันบุญบารมีไปไม่ได้มันจะเลื่อนขึ้นมาเป็นใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เป็นโตขนาดนี้ได้ยังไงบุญบารมีไม่ไม่ไม่มีมันจะเป็นหัวหน้าคนได้ยังไบุญบารมีไม่มีจะเป็นลูกน้องได้เยอะแยะอย่างนี้ได้ยังไงบุญบารมีไม่มีเราพูดอะไรเขาคนเดจยวเชื่อฟังได้ยังไงเราเห็นว่าบุญบารมีมันมีอยู่แล้วเลยเลยลากมาอยู่ตรงเนี้ย ผู้อยู่ตรงเนี้ยแต่หลายคนก็บอกว่าเหมือนนั้นนะแหน่ไม่ได้ว่าเป็นนานคนเดียวหรอกหลายคนก็คิดอย่างนี้เนี่ยไม่ไปไม่ได้ไม่พอหรอกไม่พอในปัจจุบันไม่พอไม่พอเราจะรู้ได้ยังไงหรอ ว, ว่าเรามีต้นทุนมาเท่าไหรอ่อ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเรามีต้นทุนมาเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเรารู้สิก็ดีเลยเนี่ยเราไม่รู้เราก็ต้องมาใส่ผู้รู้มาบอกเรา คุณรู้มาบอกเราแล้วเราก็เหมือนคนที่เออคุณมีความรู้ความสามารถมากเลยจะให้ทุนเนี่ยคุณมีทุนอยู่แล้วเนี่ยคุณต้งตีปัญญาสูงใครเลยถ้าคุณได้ลงทุนอันนี้ยคุณไปได้แน่นอนผมไม่เอาผมไม่มีปัญญาผมไม่มีปัญญาหรืม ไ, มมญญไม่มีปัญญาอะไรเงี้ยมันก็ไปไม่ได้เราเอธิษฐานจิตจะแล้วเราก็ไว้ทําไมมันเป็นอย่างนี้วะเราสอนทําไมมันสอนไปบางวันเหมือนจะทะลุไปได้เลยอะ อ่ะอยู่ๆกลับไปนั่งไปถามเราต่ำมากเลยลงไปพื้นไปฟื้นมากเลยลงไปอะไรสำนักเราไมอยากโดยชื่อสำนักเขาไปอยู่สำนักเก็บตัวปิดตัวเงียบสิบวันไปจมอยู่กับเวทนาอเดี๋ยวอีกแล้วไปจมอยู่กับสำนักูกสำนักนีไปจมอยู่ที่นั้ น, ปปปวว น, นปปไปปฏิบัติโงโล่งบาสบายาวเาอานนั่นไปปฏิบัติโรงโล่งเบาสบายอะไรเาไปปฏิบัติงี้ปฏิบัติงี้โอโ้โหลมัง แล้เสียดายของแล้วเสียดายของจริงๆนี่ยถูกเขาลากไปคนละลากไ ป, ไปไปตามความคิดอารมณ์ความรู้สึกเอาอยู่ๆเดีกเขาบอกว่านั้นไปอยู่สํานักนี่อีกแล้วไปเก็บตัวเงียบเก็บตัวเงียบสิบวันไปปิดไปปฏิบัติเก็บปฏิบัติอะไรไปอยู่กับวเวทนาเดี๋ยวไปอยู่สํานักป๋งโลกบาสบไบแล้วเดี๋ยวไปอยู่สํานักตู้สานักนี่โอ้ยถั่วไปหมดเลย กิเลสมนก็เกิดจากใจความหลงมันเกิดจากใจนี่แน่ความทิศหลงมันก็ทิศที่ใจนี่แน่เราจะไปหาสำนักไหนนะถอนใหม่ถอนถอนเอถ้าไม่ถอนเราบอก อ, อ, อย่างนี้จะถอนออกไหมเนี่ยาตั้งไว้แบบนี้ถอนออกไหแล้วคิดว่จะถอนออกไหมถอนออกก็ออกเลยแหละแต่ถอนออกก็ตัวใครต้มมันนะเราไม่รู้นะเอา โอ้ยตายตายตายตายตายหลายคนชอบมาแบบเนี้ยผมไม่มีแล้วผมไม่รู้แร้วผมจะมีหรือไม่มีหรอกผมชอบชอบมาพูดอย่างนี้มากลายเป็นอิทธิฐานจิตเลยแบบเนี้ไอ้การที่เราพูดยำ้ำๆเราคิดยำ้ำๆเนี่ยมันเหมือนกับอิทธิฐานจิตแล้วเราต้องปเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราแม่ครูบาอาจารย์นี่ท่านโอ้โหดุมากเลยประเภทนี่ไปคิดอะไรยำ้ำๆไว้ที่ทําให้ตัวเองต้องต ก, ต, กต่าลงไปเนี่ย เพราะว่ามันมันเหมือนกับเราที่สั่งจิตไปเลยบอกกับตัวเองไว้เลยต้องเปไนนน็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราสั่งจิตไปเลยอ่ะกระดามีอยู่คนที่เขาเล่าความว่างานกวชลูกแล้วฆ่ขาหมูฆ่าควายอะไรนี่เนแล้วแต่หลังบวชลูกผ่านไปแล้วลูกก็บวตุตรส เ, เสียจิตศึกไปแล้วแต่ตัวเองก็เศร้าก็ไอ้จำแต่เรื่องที่ว่างานกวชลูกอะไรไปฆ่าหมูฆ่ขาควายอะไรเนี่ยที่ความทุกข์ไปแล้วมันจิตจิตเอาไปจำย้ำย้ำย้ำแล้วท่านบอกว่าอีกตอนนี้ยไปฆ่าแล้วก็เป็นบาป ก, กรรมถึงหมดแล้ว พอามาคิดใหม่กับแบบการซ้ําอยู่ในจิตสองผลสามผลสี่ผลลั่มไป้อเนี้การไปตอกย้ําในจิตพอถึงเวลาแล้วไปจริงเลยไปอย่างนั yeah, ええ้นจริงๆมันตัดออกไม่ได้มันต้องตัดอะไรก็ตัดอยู่ในใจที่แน่พอเราไปตอกย้ำปุ๊บก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเกิดอะไรขึ้นเราไปตอกย้ํามัก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยอย่างเราไปไปตอบย้าผมไม่ดีหนูไม่ดีผมไม่ดีผมเป็นคนไม่ดีหนูเป็นคนไม่ดีไปตอกย้ําแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีจริงๆอ่ะแหละไปตอกย้ําไว้อ่ะมันเป็นเหมือนอธิษฐานจิตไว้ ผมไม่มีความรู้ความสามารถผมไม่มีความรู้ความสามารถไปตอกย้ำว่อย่างเงี้ยมันก็ไปตอกย้ำมันก็ไม่มีความรู้ความสามารถจริงๆอะละคนเราชอบไปตอกย้ำกลมด อ, อยของตัวเองไปตอกไปตอกย้ำสิ่งที่มันไม่สบายใจโอแปลกที่ดีนี่รับสารภาพออกมาเนี่ย Oh, okay. เ, ออเราแก้ให้หลายปีมากแล้วว่าหาที่ติดไม่เจอเอ๊ะมาติดอะไรมันติดอะไ ร, ะไรหลายปีมากเลยเนี่ยคือเราสงสัยมากเลยมันติดมาหลายปีเราหาทางแก้มาหลายปีมากเลยทั้งที่เราก็มองแล้วต้นทุนมาสูงมากแต่ทำไมมันติดอย่างนี้เราแก้ให้ไปลูกกี่อย่างเน่ยเราก็รู้เนี่ยไม่นั้นเนี่ยเราแก้มาให้มากมา ย, แ ก, ยางงาแก้อย่างนู้นแก้อย่างนี้แก้ทางให้มันแก้ไม่ตกเละแต่แต่เตยไ ป, ปตอกย้าอยู่ในจิตทีเออโวเนี่ยมันหลงโดยเราไม่รู้เลยนะเนี่ย มันพลาดพลาดไปเลยเราไม่รู้จริงๆเนี่ยเนี้ยไม่มหารเลยพลาดอยู่ในเราไม่ได้เราดูแต่กรรมอิทธิพลภายนอกเนี่ยกรรมที่เกิดจากจิตตัวเองเราไม่เห็นเลยเนี่ยหรือมันไม่ถึงเวลาก็ไม่ทราบ